คือการสงเคราะห์ต่อบุคคลอื่นทั่วไปแต่ว่าจะมีกุศลมากหรือไม่มากนั้นก็ขอให้พิจารณาดูถึงประโยชน์เป็นสําคัญถ้าหากว่าได้ประโยชน์มากนั่นแหละคือได้กุศลมากหรืออานิสงฆ์มากคําว่าอานิสงฆ์เนี่ยแปลว่าประโยชน์ประโยชน์ที่เราได้ว่ามีมากแค่ไหนฉะนั้นเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาถึงประโยชน์ ถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างโบสถ์สักหลังหนึ่งราคาประมาณสักล้านห้าแสนบาทอย่างนี้แต่โบสถ์หลังที่เราสร้างนี้มีพระจำพรรษาเพียงไม่ ก, กี่รูปพระห้าหกองท่านจะใช้โบสถ์เนี่ยทำสังฆ ก, กรรมโดยสิบห้าวันไปทำครั้งหนึ่งอย่างนี้ประโยชน์มันก็น้อยแม้ว่าสิ่งนี้เราจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาก็ตามแต่ว่าประโยชน์นั้นใช้ใส่ใช้สอยน้อยถ้าหากว่าเราเอาเงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทเนี่ยไปสร้างโรงเรียน จะให้พระเนรเรียนหรือจะให้เด็กทั่วไปเรียนก็ตามจะมีนักเรียนมาเรียนในโรงเรียนเนี่ยเป็นจานวนร้ยร้อยคนและก็ใช้ประโยชน์โรงเรียนเนี่ยทุกวันนั่นแนหะคืออานิสงส์มากในเราพิจารณาถึงประโยชน์ที่บุคคลอื่นจะพึงได้รับก็สร้างโรงเรียนดีกว่าเพราะว่าโรงเรียนเป็นมากปัจจุบันนี้ยิ่งจาเป็นมากขึ้นใครทาก็จะได้อานิสงส์มากโบสถ์นั้นนะ่ะเรามีเยอะแยะมากมายในประเทศไทย แล้วก็ใช้ทําสังฆกรรมได้ยังไม่ลําบากนักถ้าลำบากนั ก, ก, นกเราก็ควรจะเพ่งถึงความจําเป็นอย่างอื่นก่อนเพราะทําสังฆกรรมนี่เมื่อสมมุติที่ใดที่หนึ่งขึ้นมาก็ทําสังฆกรรมได้ไม่จําเป็นต้องทําในโบสถ์ที่มีโรงเรือนใหญ่ๆโตๆเสมอไปมีหลังคามุมก็ใช้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการทําอะไรก็ตามขอให้เราได้พิจารณาถึงประโยชน์ให้มากที่สุด อย่างไนมีประโยชน์มากแล้วก็เราทาสิ่งนั้นอย่างนี้ได้อา น, นิสงส์มากกว่าแต่ในนี้ท่านกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกอันประเสริฐเป็นการทชี่ห้เห็นถึงว่าบุคคลที่จะรับทานของเรานั้นถ้าหากว่าเป็นพระสงฆ์แล้วก็จะทำให้ทานของเราที่ได้วาดลงไปนี่มีค่ามากขึ้นได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น เหมือนกับเราวหว่านพืชลงไปในเนื้อนาที่ดีพืชที่เราหว่านลงไปแม้เล็กน้อยก็จะได้ผลมากเช่นอย่างสมมติว่าเราปลูกเ อ, อมะม่วงไปต้นหนึ่งโดยลงทุนมะม่วงเมล็ดมะม่วงเพียงหนึ่งเมล็ดหรือต้นมะม่วงเพียงหนึ่งต้นในเนื้อนาที่ดีในพื้นที่ดีมะม่วงต้นนี้ก็จะออกผลให้แก่เราปีหนึ่งตั้งหลายร้อยลูกต้นหนึ่งแล้วก็จะออกผลให้ทุกๆปีอย่างเนี้ย แสดงให้เห็นว่าเนื้อนาหรือเนื้อที่ที่เราจะนําเมล็ดพืชไปปลูกหรือไปหว่านไว้นี้เป็นเนื้อนาดีผลก็เกิดขึ้นแก่เรามากถ้าหากว่าเราไปปลูกในเนื้อที่ที่ไม่ดีปลูกแล้วอาจจะตายไปเลยก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ผล <Yeah. S 1> ในเรื่องของการทําบุญก็เหมือนกัน <Yeah. S 1> การทําบุญนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงบุคคลที่ควรแก่บุญกุศลก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์ดังกล่าวเนี่ยหมายถึงคณะสงฆ์ หรือบุคคลที่เป็นส่วนรวมโดยทั่วไปไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนตัวแต่หมายถึงว่าเป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ส่วนมากไม่ใช่พระสงค์เพียงองค์สององค์เท่านั้นแต่จะต้องหมายถึงพระสงฆ์โดยทั่วไปว่าท่านจะได้ใช้สอยประโยชน์ส่วนเนี้มากอย่างที่ท่านทั้งหลายถวายทานเป็นบุคลิกทานกับเป็นสังฆทานอย่างนี้ท่านยกย่องว่าถวายสังฆทานมีอนิสงฆ์มากกว่าบุคลิกทานบุคลิกทานนั้นมีอนิสงฆ์น้อย พราะเป็นการเจาะจงเจาะจงชะนั้นะมาถวายพระองค์นี้อันเนี้ได้อานิสงส์น้อยแต่ถ้าเรามุ่งอ่ะถวายแก่สง์แก่พระหลายๆรูปท่านจะได้ใช่เนี่ยก็ได้ประโยชน์มากเพราะฉะนั้นการทําบุญเนี่ยเราก็ต้องมุ่งต่อพระสงฆ์เป็นใหญ่ต่อคณะสงฆ์เป็นใหญ่อย่ามุ่งเฉพาะถ้ามุ่งเฉพาะองค์พระสงฆ์แล้วอานิสงส์เราได้น้อย ะรเราก็ต้องทาเพื่อเพื่อส่วนรวมที่กว้างกว้างกว้างออกไปไม่ใช่เฉพาะส่วนบุคคลใดบุคคลหนึ่งแม้แต่ท่านทั้งหลายจะไปสร้างถาว ร, รัวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในพระพุทธศาสนาท่านก็ต้องเจาะเจาะจงให้แก่สงอย่าไปเจาะจงต่อบุคคลเพราะว่าบุคคลก็ทำให้ท่านได้บุญ น, น้อยไปถ้าสงส่วนรวมแล้วก็ได้บุญมากส่วนมาก อย่างเราจะสร้างโรงเรียนให้พระเนนเรียนหรือเราจะถวายปะตาหารเป็นสังฆทานต่อพระสงฆ์หลายองค์อย่างเนี้ได้รับอานิสงส์มากพระสงฆ์จึงเป็นเนื้อนาบุญอันกระเสริฐอยู่ปัจจุบันนี้การทําทานเราจึงนิยมทํากับพระสงฆ์มากกว่าเพราะว่าผลข้องบุญนั้นมีมากกว่ากันอันนี้ก็ด้วยเหตุที่พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ที่ มีคุณธรรมสูงกว่าบุคคลทั่วไปจะในด้านของศีลในด้านของสมาธิในด้านของปัญญาหรือในด้านของกิจวัตรต่างๆหรือประโยชน์ต่างๆแล้วพระสงฆ์ก็ทําประโยชน์ได้มากกว่าฉะนั้นการมุ่งบํารุงพระสงฆ์ไว้นั้นก็เท่ากับได้ช่วยเหลือบุคคลทั่วไปทั้งหมดเพราะการบํารุงพระสงฆ์นั้นก็เหมือนกับบํารุงบุคคลทั่วไปพระสงฆ์ท่านก็เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ บ, บุคคลอื่นต่อไปอีกอย่างเนี้ย เท่ากับว่าเราได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่ทําประโยชน์อันกว้างขวางแล้วท่านก็เอเื้อเพื่อเผื่อแผ่ไปถึงเด็กอาจจะต้องไปสงเคราะห์สร้างโรงเรียนให้เด็กหรืออาจจะต้องไปสั่งสอนเด็กไปเผยแพร่พระธรรมอบรมบุคคลทั่วไปก็ต้องอาศัยองค์พระสงฆ์ฉะนั้นพระสงฆ์จึงเป็นบุคคลที่ควรแก่การที่เราจะหว่านพืชคือทียทานเหล่านี้ลงไว้แก่ท่านอันนี้เป็น เป็นการสรุปถึงคุณของพระสงฆ์ในข้อที่เก้าคืออนุตตรังปุญักเขตตังโลกัสสาท่านใช้โลกัสสาเลยว่าในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีเนื้อนาบุญอันใดจะสูงเท่ากับพระสงฆ์ท่านพูดถึงทั่วโลกทั้งหมดว่าพระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐกว่าเี่ยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ได้ตรัสยกย่องอย่างนี้ซึ่งครั้งหนึ่ง พระมาตุกฉาคือพระน า, นางได้แก่พระนางกีสาโคตมีได้นำผ้าตรายจีวรเนี่ยไปถวายพระพุทธเจ้าผ้าตรายนั้นนางเย็บมาอย่างดีเป็นผ้าเนื้อดีด้วยถวายเจาะจงต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ยังไม่ยอมรับยังให้พระนางโคตมีนั้นถวายแก่สง โดยตรัสว่าการถวายแก่สงเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าพระพุทธองค์ไม่ยอมรับก็ให้นางเปล่งถวายต่อสง์แล้วก็สง์ก็สมมติว่าองค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านขาดแกรนจีวรท่านก็จะได้นําจีวรเนี่ยไปใช้เฉพาะองค์ท่านอย่างเนี้ยได้อานิสงส์มากกว่าแม้แต่พระพุทธองค์เองถ้าใครมาถวายอะไรเป็นส่วนพระองค์เองก็ยังต้องปัดให้เป็นของสง์ เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้ที่ถวายว่าจะได้รับอานิสงส์มากๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นการถวายทานที่เราจะหว่านไว้ในพระพุทธศาสนาจึงขอให้เราได้พิจารณาถึงส่วนนี้ด้วยนี่เป็นเรื่องของสังฆคุณซึ่งก็มีอะไรไม่มากนะักเกี่ยวกับคุณของพระสงฆ์เพราะถ้าหากว่าเราจะพูดถึงคุณของพระสงฆ์กว้างๆทั่วๆไป ในด้านของสังคมแล้วคุณของพระสงฆ์นั่นก็มีอยู่มากมายจะพูดได้เลยว่าประเทศไทยของเรานี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่เราได้วิวัฒนาการในด้านต่างๆมานั้นก็อาศัยกำลังของพระสงฆ์นี้มีส่วนสำคัญไม่ว่าจะความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาทางอนามัย หรือทางด้านสังคมสงเคราะห์หรือในด้านใดด้านหนึ่งแม้แต่กระทั่งวิชาชีพการทหารก็อาศัยพระสงค์ในอดีตเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลมาทั้งสิน้นเพราะว่าสถาบันการศึกษาในอดีตที่สูงสุดนั้นก็คือวัดบุคคลที่จะมีโอกาสศึกษาถึงอัครวิธีมีความรู้กว้างขวางก็คือบุคคลที่เคยบวชเคยเรียนในวัด เช่นผู้ที่เคยบวชเป็นเนนเป็นพระสมัยก่อนเนี่ยก็มีความรู้มากและเมื่อท่านมีความรู้มากเช่นนี้ท่านก็เอื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ความรู้เช่นนี้ออกไปเช่นวัดตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นใครจะเรียนหนังสือก็ไปเรียนที่วัดโดยพระสอนอย่างนี้เป็นต้นใครเดือดร้อนก็ไปหาวัดเป็นที่พึ่งใครเจ็บป่วยก็ให้พระท่านช่วยรักษาให้คนแก่ไร้ที่พักพิงก็ไปพึ่งวัดเด็กกําพร้าไม่มีใครสงเคราะห์ก็ไปพึ่งวัด โดยพระเป็นผู้เลี้ยงดูให้คนรอกเรือนคนขอทานคนตาบอดหูหนวกอะไรก็ไปอาศัยวัดทั้งนั้นแม้แต่การสงเคราะห์สัตว์อื่นๆก็ไปอาศัยวัดเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระคุณของพระสงฆ์ในอดีตนั้นท่านมีต่อสังคมมนุษย์มากมีมามากทีเดียวในปัจจุบันนี้งานเหล่านี้ก็มีไปถึงฆรวาสเพราะฉะนั้นฆรวาสก็พอจะช่วยงานของพระสงฆ์ได้ งานของพระสงฆ์นี้ก็ลดน้อยถอยลงไปคนสมัยใหม่ถ้าไม่ได้ศึกษาถึงภูมิหลังแต่อดีตแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นมาอย่างไรแต่ถ้าศึกษาถึงอดีตก็จะรู้ว่างานาเหล่านี้พระสงฆ์ท่านได้ทํามาแต่อดีตก่อนทั้งนั้นแล้วก็ได้ทําเป็นตัวอย่างมาก่อนคนปัจจุบันนี้จึงคิดทําขึ้นจึงจัดการทําขึ้นแต่ว่าจะได้ดีเหมือนพระสงฆ์ทําหรือไม่เราก็ต้องติดตามผลกันต่อไป ว่าคราว่าจะทําได้ดีกว่าพระสงค์หรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่คราวาตนั้นจะมีจิตใจเสียสละมากน้อยแค่ไหนเพราะว่างานเหล่านี้เป็นงานเสียสละทั้งสิน้นงานของพระสงค์แต่อดีตมถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นงานที่อาศัยความเสียสละนี่เป็นเรื่องของคุณของประสงค์ในปัจจุบันและพระสงค์จะทําคุณประโยชน์แก่สังคมมนุษย์อย่างไรนี้เราก็ต้อง ศึกษาดูกันต่อไปว่าพระสงค์จะทําคุณประโยชน์แก่สังคมมนุษย์ได้กว้างขวางอย่างไรเพราปัจจุบันนี่สังคมก็จเจริญเติบใหญ่ออกไปตามลําดับเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในรูปไหนเราก็ยังไม่ทราบอีกเหมือนกันเพราะความเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยรวดเร็วเหลือเกินยิ่งความเปลี่ยนแปลงของส่วนใหญ่ได้แล้วบางทีวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นหนงเหตุการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปตั้งแยะ เพราะฉะนั้นพระสงฆ์จะทำประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่การปรับตัวของพระสงฆ์เองว่าพระสงฆ์นั้นจะปรับปรุงการศึกษาหรือสมรรถภาพของท่านให้ทันต่อความเจริญเติบโตของสังคมนี่ได้มากมายแค่ไหนถ้าหากว่าปรับปรุงไม่ทันพระสงฆ์ก็คงจะอยู่ในฐานะเป็นโบราณวัตถุชิ้นหนึ่ง ซึ่งนักโบราณคดีทั้งหลายสําหรับไว้วิเคราะห์กันว่าองค์นั้นเก่าเท่านั้นองค์นี้เก่าเท่านี้เท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าปรับปรุงกันดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากนี่เป็นเรื่องของสังขารุสติในด้านการปฏิบัตินั้นถ้าหากว่าเราจะอนุสอนนึกถึงประสงค์เป็นอารมณ์แล้วก็มีส่วนช่วยมากเช่นช่วยให้เกิดสมาธิช่วยให้เกิดปัญญาได้เหมือนกับการเจริญพุทธานุสติและธรรมานุสติ แม้เราจะนึกถึงพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ก็รับรองว่าไม่ตกนรกแน่ถ้าหากว่าเราอนุสรถึงนึกถึงอยู่เสมอแล้วเราจะไม่ตกนรกมีโยมหลายคนบอกว่าไปเที่ยวที่วิทยาลัยที่จิตภาวันแล้วเห็นพระเน่นมากๆกลับมาพูดบอกว่าถึงตายก็ไม่กลัวแล้วไม่ตกนรกแน่ คือพอได้ไปเห็นพระเนนที่วิทยาลัยบอกว่าตายแล้วก็ไม่กลัวและไม่ตกนรกแน่ที่ไม่ตกนรกนี่ก็คือได้ไปเห็นพระเนนมากๆแล้วก็ภาพของพระเนนนั้นก็ติดตาประทับใจอยู่อันนี้ก็มีส่วนช่วยทำให้จิตใจเบิกบานอย่างเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยพระท่านไปเยี่ยมเราเห็นพระที่ไปเยี่ยมเราก็รู้สึกสบายใจความสบายใจเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทาให้เราไม่ต้องตกนรก เพราะว่าจิตนี้ผ่องใสนึกถึงประสงค์แล้วจิตก็ผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสแล้วถึงแม้เราจะดับจิตนี้ก็ย่อมไปสู่สุคติฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายพูดละไปเห็นพระเดนที่วิทยาลัยแล้วไม่โกลัวตกนรกก็คงจะได้รับภาพสะทับใจจากที่นั่นแล้วก็มีส่วนช่วยเสริมสร้างศรัทธาทําให้จิตของตนเองเนี่ยมั่นคงต่อพระพุทธศาสนามากขึ้นก็เป็นได้อันนี้ ผลก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยการระลึกถึงประสงค์เป็นอารมณ์ในด้านที่จะให้เกิดสมาธิจิตนั้นท่านทั้งหลายจะต้องแผ่จิตของท่านไปในคุณของประสงค์ดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นให้กว้างขวางออกไปสมาธิจิตก็จะเกิดขึ้นถึงอุปจาระฌานสามารถถึงฌานได้แต่ว่าเป็นแค่อุปจาระฌานนี่ก็เป็น เป็นผลที่ได้จากการปฏิบัตินี่เป็นเรื่องอสังขารุสติซึ่งอาตมาก็บรรยายมาตั้งแต่ต้นก็ขอจบในวันอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์ต่อไปเราจะได้พูดถึงหลักปฏิบัติคืออนุสติในข้อต่อไปวันนี้ต้องขอยุติการบรรยายเร็วต่อเวลาสักสินาทีเพราะว่าเดี๋ยวอาตมาจะต้องไปปาตกถาที่วัดเบญจมาบพิตร ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระวิสุทธิมรรคในวันนี้ก็จะได้เริ่มถึงหลักปฏิบัติข้อต่อไปในบทอนุสติสิบจำได้ว่าครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องสังคารอนุสติจบไปแล้วคือในอนุสติสิบประการนี้นอกเหนือไปจาก พุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติก็ยังมีอนุสติข้ออื่นซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเพื่อเกิดสมาธิอีกหลายข้อรวมทั้งหมดเป็น10ข้อด้วยกันอนุสติข้อที่4ที่เป็นหลักปฏิบัตินั้นคือสีลานุสติสีลานุสตินี้ก็คือการระลึกถึงศีลเป็นอารมณ์ การปฏิบัติในครั้งก่อนๆ น, นั้นจิตจะเกิดสมาธิได้ต้องอาศัยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์คือจะต้องระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเหล่านี้เป็นอารมณ์จึงจะเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิจิตขึ้นมาแต่ว่าหลักปฏิบัติในข้อที่สี่นี้คือศีลานุสตินี้ เป็นการระลึกถึงศีลเป็นอารมณ์เพื่อที่จะได้เป็นหลักปฏิบัติให้เกิดสมาธิจิตขึ้นเรื่องของศีลนั้นบางท่านอาจจะเข้าใจแต่เพียงว่าเป็นเรื่องของกายกับวาจาที่พระพุทธองค์ได้ควบคุมเพื่อไม่ให้กายกับวาจานั้นเป็นปเพื่อเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมา ไม่น่าที่จะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิจิตอย่างไรอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ความจริงเรื่องของสมาธิจิตนี้ปัจจัยอันใดที่เป็นกุศลก็เป็นเหตุให้เกิ ด, กดได้ทั้งนั้นไม่ว่าเราจะสร้างกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามกุศลอันนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิจิตได้ถ้าหากว่าเรารู้จักใช้หรือรู้จักระลึกถึง แนวนุสตินี้ท่านทั้งหลายจะได้ศึกษาไปตามลำดับและจะเห็นว่านอกเหนือไปจากพระพุทธธรรมทะสงแล้วการระลึกถึงสิ่งอื่นก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิจิตได้เช่นเดียวกันดังเช่นในศีลานุสตินี้ศีลานุสติคือการระลึกถึงศีลเป็นอารมณ์นั้นเราจะระลึกถึงอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิจิตได้ การที่เราจะเอาศีลมาเป็นอารมณ์นั้นปัญหาที่สำคัญก็คือผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นผู้มีศีลเสียก่อนเมื่อมีศีลแล้วเราจึงจะสามารถเอาศีลมาเป็นอารมณ์ได้ถ้าหากว่าไม่มีศีลก็ไม่ทราบว่าจะเอาศีลที่ไหนมาเป็นอารมณ์จาศีลของคนอื่นมาเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้ต้องเอาศีลของตัวเองเป็นอารมณ์จึงจะเป็นปัใจจัยให้เกิดสมาธิจิต ฉะนั้นในที่นี้ท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาเสียก่อนว่าศีลที่จะเป็นอารมณ์ให้เกิดสมาธินั้นเป็นศีลประเภทไหนเพราะว่าศีลเนี่ยมีอยู่หลายประเภทด้วยกันศีลห้าก็มีศีลแปก็มีศีลสิบก็มีศีลสองยีดก็มีเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของศีลว่าศีลเนี่ยคืออะไรสาหรับศีล227 ซึ่งเป็นสิกขาบทของพระสงฆ์นั้นเราเรียกกันว่าศีลก็เพราะว่าสิกขาบทเหล่านั้นมีมาในพระปาติโมกมีมาในพระปาติโมกที่พระพุทธองค์ได้ตรัสให้เว้นในเรื่องราวต่างๆทั้งหมด227เรื่องด้วยกันถ้าหากว่าเราได้รักษาครบครันตามนั้นหรือเว้นหมดทั้ง227ข้อเราก็รักษาศีล227 น, 22นี้บริบูรณ์ สินสซึ่งเป็นศินของสามนเณรก็สอนให้เว้นในสิ่งต่างๆสิบข้อหรือเป็นสิกขาบทสิบทีนี้ปัญหามีว่าบุคคลที่จะเป็นพระเป็ น, นเนนเนี่ยเป็นกันที่ศีลหรือเป็นกันที่ตรงไหนที่เรียกว่าเป็นพระเป็ น, นเนนอย่างการบรรพชา หน้าที่ของอุปชายะนี้จะให้ไตรสรณาคมแก่กุลบุตรที่มาขอบัรทชาเป็นเนนความจริงก็เป็นเนนแล้วเรียกว่าบรรพชาด้วยไตรสรนาคมเพียงเปล่งวาจาว่าพุทธทงงทาางงงังสรนางคตฉามิทำมังสรนางคตฉามิสังคังสรนางคตฉามิเนี่ยเพื่อขอการบรรพชาก็ถือว่าเป็นการให้บรรทชาแล้วแต่ว่า ทำไมจึงต้องให้ศิกขาบทสิบอีกที่ให้ศิกขาบทสิบอีกนี้ก็เพราะว่าสมณเนนนั้นต้องมีศีลเป็นเครื่องรักษาคือเมื่อเป็นเนนแล้วก็ต้องมีศีลเป็นเครื่องรักษาพระก็เหมือนกันตอนบวชไม่ได้สมาทานศีล227ข้อนี่หรอกเวลาอุปสมบทเป็นพระไม่ใช่หมายถึงว่าต้องสมาทานศีล227ข้อเหมือนกับคฤหัสถ์สมาทานศีลห้าไม่ได้สมาทานเลย สมาทานเพียง10บข้อเท่านั้นบวชเป็นเนก่อนพระบวชเป็นเนนแล้วจึงยกจากเนนเป็นพระขึ้นแต่เมื่อบวชเป็นพระแล้วอุปชัยยะจะต้องบอกให้ทราบว่าพระนั้นจะต้องมีศีลอะไรบ้างแต่การบอกนั้นก็บอกเฉพาะศีลสิกขาบทที่สำคัญสาคัญเพื่อที่จะได้รักษาไวเช่นอย่างได้บอกถึงสิกขาบทที่ใหญ่ที่พระสงฆ์จะต้องรักษาเพื่อความเป็นพระภิกษุ เช่นอย่างปาชิกสอย่างนี้ก็ต้องบอกสังฆาทิเศษสิบสามไม่ต้องบอกหรือนิสกิยาปาจิตตีหรือปาจิตตีหรือเสกิยะไม่ต้องบอกแต่ก็รู้เราว่าพระภิกษุนั่นจะต้องรักษาสิกขาบทต่างๆอันเป็นวินัยของพระภิกษุส่วนคฤหัตคฤหัตที่สมาทานศินแปดจะเป็นศินอุโบสถ หรือสิน8ดธรรมดาก็ตามต้องสมาทานเมื่อสมาทานแล้วเราจึงเป็นผู้มีสินคือสิน8ข้อนั้นถ้าเราสมาทานสินห้าเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสินห้าข้อนั้นจะเป็นสินข้อใดข้อหนึ่งหรือหมวดใดบทหนึ่งก็ตามที่เราสมาทานไว้ถ้าหากว่าเรารักษาศินนั้นไว้โดยบริบูรณ์แล้วท่านก็เรียกว่าเป็นผู้รักษาศินหรือเป็นผู้มีศิน ศีลนั้นก็สมบูรณ์อยู่ส่วนศีลในข้ออื่นๆก็มีอันเป็นศีลพิเศษซึ่งได้เคยพูดมาแล้วครั้งหนึ่งตอนบรรยายวิสุทธิมรรคในสีลนิเทศว่าศีลนั้นมีมากมายเหลือเกินแม้แต่การพิจารณาถึงปัจจัยสีเสียก่อนแล้วจึงจะบริโภคอันนั้นก็เป็นศีลเหมือนกันถ้าหากว่าเราได้พิจารณาเสียก่อนแล้วบริโภค ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติในศีลมีศีลแล้วเราเป็นผู้มีความสำรวมในอินทรีย์ก็ชื่อว่ามีศีลแล้วอย่างเนี้ยอันนั้นเป็นศีลโดยพิสดารในที่นี้ศีลที่จะเป็นปัจจัยแห่งการปฏิบัติเพื่อเกิดสมาธิจิตเนี่ยจะเป็นศีลห้าก็ตามหรือศีลแปดก็ตามศีลสิบก็ตามศีลสองยสบเอก็ตามศีลทั้งหมดเหล่านี้เมื่อเราได้ รักษาแล้วเราจะต้องนึกถึงศีลเหล่านี้อยู่เป็นประจําทีนี้ศีลที่จะนึกถึงอยู่เป็นประจําเป็นอารมณ์นั้นและจะเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธินี้อย่างไรศีลนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อปีติและปราโมทเช่นอย่างเราสมาทานศีลห้าแต่ว่าศีลห้านั้นเราเกิดขาดไปเสียองค์ใดองค์หนึ่ง โดยที่เราเนี <hr ans in> <telescopes> ่ยไม่สมาธานกลับคืนมาถ้าเราไปนึกถึงจิตก็ไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าเราสมาธานกลับคืนมาเรานึกถึงจิตก็เป็นสมาธิการนึกถึงสินนั้นก็คือนึกถึงว่าสินนั้นน่ะเป็นไปเพื่อเกิดปีติปราโมทหรือไม่สินนั้นขาดหรือไม่ด่างหรือไม่อัทรุหรือไม่ด่างหรือไม่ร้อยหรือไม่อย่างเนี้ยถ้าหากว่า เราได้ระลึกถึงอยู่เสมอเช่นนี้แล้วแล้วระลึกถึงศีลเป็นอารมณ์อยู่เสมอก็เป็นปัจจัยให้เกิดปีติปราโมทย์ได้ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคำว่าศีลขาดศิลทรุศิลดา่างศิลพร้อยซึ่งอันเนี้ยคล้ายๆกับศีลอนะ่ะเหมือนกับผืนผ้าผืนหนึ่งในใ น, ในคำอธิบายนี้เหมือนเป็นผืนผ้าผืนหนึ่ง คำว่าสินขาดหมายถึงว่าสมาทานห้าข้อแล้วขาดไปหรือสี่ข้อหรือสมาทานแปดข้อแล้วขาดไปหลือเจ็ดข้อเราล่วงองค์ใดองค์หนึ่งไปทําให้ขาดไปอย่างเนี้ยเราเรียกว่าสินขาดในลักษณะดังกล่าวเนี่ยสินขาดคือมันขาดองค์ของศินไปเสียไม่ครบองค์อย่างเงี้ยเรียกว่าสินขาดทีนี้สินทะรุละ่ะ สินทะรุเนี่เป็นอย่างไรท่านบอกวาก็เหมือนกับผ้าทะผ้าทะรุก็หมายถึงผ้านั้นขาดตรงกลางมันทรุลงไปตรงกลางเราก็เรียกว่าผ้าทรุสินทรุก็เหมือนกันท่าบอกสินทรุเนี่คือสินที่มันขาดตรงกลางเช่นเป็นต้นว่าเราสมาทานสินห้าข้อข้อไหนลราที่อยู่กลางก็ข้อกาเมสุมิจฉาจารย์อยู่กลาง ถ้าสี่ข้อนั้นไม่ขาดแต่ไปขาดข้อกาเมสุมิฉาจานไปเสียองค์หนึ่งอย่างนี้เรียกว่าสินทรุคือตรงกลางพอดีมันขาดหายไปองค์กลางเนี่ยหัวท้ายยังอยู่แต่ว่าตรงกลางขายไปก็เรียกว่าสินทรุทีนี้ถ้าสินด่างสินด่างหมายถึงว่าองค์ที่หนึ่งไม่ขาดหรอกแต่องค์ที่สองที่สามขาดอย่างนี้ก็เรียกว่าด่าง สินนั่นกระด่างไปเช่นอย่างข้อปาณาติบาไม่ขาดแต่มาอาทินนาทานมากาเมสุมิฉาจานขาดไปอย่างนี้เรียกว่าศินด่างถ้าสินร้อยสินร้อยเนี่ยหมายถึงว่าขาดขาดบ้างไม่ขาดบ้างขาดบ้างไม่ขาดบ้างมันกระโดดกระโดดยังไงไม่ทราบเช่นอย่างปาณาติบาไม่ขาดล็อกแต่ว่าอาทินนาทานขาดและกักาเมสุมิฉาจารไม่ขาดมุสาวาศขาดอย่างเนี้ยมุสาวาศไม่ขาดแต่ไป ขาดเอาข้อสุราเมิระยะอย่างนี้เขาก็เรียกว่าสินพร้อยพร้อยเนี่ยเหมือนกับท่านอุปมาเหมือนกับแม่โคที่มีตัวด่างพร้อยอย่างเนี้ก็เรียกว่าสินพร้อยเพราะฉะนั้นศัพท์ในทางธรรมะหรือในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องเข้าใจความหมายว่าสินขาดสินธรุสินด่างสินพร้อยเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรก็มีลักษณะดังกล่าวนี้ ถ้าเราสมาทานศีลครบบริบูรณ์ไม่ขาดไม่ทะรุไม่ด่างไม่พร้อยเรานึกถึงศีลครั้งใดจิตใจก็เกิดปิติปราโมทว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีศีลครบอยู่ถ้าขาดหายไปจึงต้องรีบสมาทานฉะนั้นในทางปฏิบัตินี้ในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์จึงได้วางหลักปฏิบัติไว้ว่าเมื่อศิกขาบทใด ขาดตกบกพร่องไปก็ให้สมาทานคืนเสียเราเรียกทางพระวินัยว่าปรงอาบัตชาวบ้านเรียกว่าต่อศีลคือพูดไปในทํานองที่ว่าศีลมือนเชือกขาดแล้วก็มาต่อความจริงแล้วเรียกที่ถูกนั่นคือการปรงอาบัตปรงอาบัตนั่นคือการสารภาพผิดเพื่อทำคืน ก็เท่ากับว่าได้พ้นผิดแล้วเหมือนบุคคลที่ทำผิดเมื่อทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไปสารภาพผิดเมื่อเราสารภาพผิดแล้วนั่นแหละเราผูบ้บริสุทธิ์เหมือนวิธีการทางฝ่ายคริสตศาสนาที่มีการสารภาพบาปความจริงแล้วการสารภาพบาปนั้นนะไม่ใช่การล้างบาปไม่ใช่หมายความว่าคนนั้นพ้นบาปแล้วเป็นการสารภาพบาปไปทาบาปอะไรมาก็ไปสารภาพกับพระผู้เป็นเจ้า เพื่อที่จะให้พ้นจากบาปทำเหล่านั้นอันที่จริงแล้วในทางพุทธศาสนาเราที่มีการปรงอบัตินั้นไม่ใช่เป็นการล้างบาปแต่หมายถึงเป็นการสารภาพผิดเพราะการรักษาศีลนี้เพื่อผลทางด้านจิตทรามุ่งถึงผลว่าเราทำไมจึงต้องมีศีลเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้เกิดผลในด้านของการปฏิบัติทางจิต ก็คือในด้านของสมาธิและปัญญานั่นเองจึงจำเป็นต้องมีศีลใการมีศีล น, นั้นศีลจะทำให้จิตของบุคคล น, นี้บริสุทธิ์หรือเกิดปีติปราโมชขึ้นมาได้ก็ต้องเป็นศีลที่บริสุทธิ์อย่างเรานึกถึงศีลของเราเองว่าศีลของเราเนี่ยบริบูรณ์แล้วเราก็เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์แล้วจิตก็เกิดปีติปราโมชถ้าศีลเราขาดไป จิตนั่นก็ไม่เกิดปีติปราโมทเราก็ต้องไปทำคืนมาสู่ความบริสุทธิ์ในทางพระพุทธศาสนาจึงมีหลักปฏิบัติไว้ว่าถ้าภิกษุรูปใดร่วงศิกขาบทบัญญัติแล้วต้องปรงอบัติปรงอบัตินั่นคือการสารภาพความผิดที่ทำลงไปเพื่อความบริสุทธิ์ของศีลต่อไปจึงมีหลักปฏิบัติไว้อย่างนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าได้เล็งเห็นแล้วว่า ปุตชชนนั้นย่อมจะรักษาศินสมบูรณ์ไม่ได้หรือจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ครบครันบริบูรณ์เนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้ต่างจากพระอรหันต์ร่างผู้ที่มีสติสมบูรณ์แล้วสติสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงว่าพระอรหันต์นั้นท่านมีสติของท่านบริบูรณ์หมดแล้วแม้พระอรหันต์ท่านจะรักษาศินสินของท่านก็ครบบริบูรณ์ ไม่ขาดตกบกพร่องเพราะว่าเป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นถ้าพุทุชนแล้วเนี่ยเราจะว่าเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์บริสุทธิ์นั้นก็ต้องอาศัยการสมรวจบ่อยๆแล้วก็มีการสมาทานกันบ่อยๆนั่นแหละจึงจะสมบูรณ์ได้ถ้าไม่มีการสารวจไม่มีการสมาทานบ่อยๆศีลเนี่ยจะสมบูรณ์ไม่ได้ ผูุ้ชนนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติอยู่บ่อยๆมีข้อแก้ไขอยู่เสมอๆเพื่อที่จะไปสู่